อธิปติปัจัยกับเพตุปัจัยมีสิบเจ็ดวาระอนันตระปัจัยกับเพตุปัจัยมีเจ็ดวาระสมาันตรปัจัยกับเพตุปัจัยมีเจ็ดวาระสหชาตปัจัยกับเพตุปัจัยมีสิบเจ็ดวาระละอวิคขตปัจัยกับเพตุปัจัยมีสิบเจ็ดวาระติดกนใย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 อนันตระและสมาันตระทุกกนัยเ7สเหตุปัจจัยกับอนันตระปัจจัยเหตุปัจจัยกับสมาันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระละทุกกนันมีสหชาตปัจจัยเป็นต้น 274. เหตุปัจจัยกับสหชาตปัจจัยละเหตุปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยเหตุปัจจัยกับนิสัยปัจจัย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 วิทยุตัดปัจจัยกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระนัตถิปัจจัยกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระวิขตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิขตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละทุกขไนมีอาหารปัจจัยเป็นต้นสองเจ็ดิบหเหตุปัจจัยกับอาหารปัจจัยละ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 ทำสภาวธรรมที่เป็นอกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนาเหตุตุปัจจัยได้แก่โมห oh ะที่ร ท, ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทธัจจะทำขันธ์ที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทธัจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตษทำสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนาเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สาม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 เจตนาที่เป็นอัพยการตกิริยาทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลรำสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นอกุศลทรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลรมสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัย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 นาอาเสว่นปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมีสิบเจวาระนากรรมปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมีเจวาระนาวิปากปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมี17วาระนาอาหารปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอินทรียปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานาปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระ นัมคะขปัจจัยกับนัอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระนัสสมปยุตตาปัจจัยกับนัอธิปติปัจจัยมีหวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับนัอธิปติปัจจัยมีสวาระโนนัตถิปัจจัยกับนัอธิปติปัจจัยมีหวาระโนวิขตปัจจัยกับนัอธิปติปัจจัยมีห้าวาระติกนัยนัอารมณปัจจัยกับนัอธ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 ปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละนกกรรมมทุกขนสยเก้าสินเหตุุปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยมีหนึ่งวาระณอารมณปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยมีเจดวาระณอนันตรปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยมีหนึ่งวาระ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 นปัจฉาชาตปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนาเหตุปัจใจมีสี่วาระณอาเสวนปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนาเหตุปัจใจมีสี่วาระนกรรมปัจจัยและนวิปากับปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอาหารปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ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 นาอัญญมัญญปัจจัยกับนาวิปยุตตาปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอุปนิสติยปัจจัยกับนาวิปยุตตาปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับนาวิปยุตตาปัจจัยและนาเหตุตุปัจจัยมีสองวาระนาปัจชาชาตปัจจัยกับนาวิปยุตตาปัจจัยและนาเหตุตุปปัจจัยมีสองวาระ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 นอินตริยปัจจัยกับนวิปยุติปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานปัจจัยกับนวิปยุติปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับนวิปยุติปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาสามปัจจัยกับนวิปยุติปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับนวิปยุติปัจจัยและนเหตุปปัจจัยมีหนึ่งวาระ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 ปัจจัยวานจบ